หนึเพระสารีบุตรเถระกล่าวว่าภิกษุอบรมตนอยู่พึงมีแนวทางแห่งถ้อยคําอย่างไรพึงมีโคจรในศาสนานี้อย่างไรพึงมีศีลและวัดอย่างไรคําว่าพึงมีแนวทางแห่งถ้อยคําอย่างไรอธิบายว่าพระเถระถามถึงความบริสุทธิ์แห่งวาจาว่าภิกษุนั้นพึงประกอบด้วยวิธีการพูดเช่นไร คือตั้งไว้อย่างไรมีประการอย่างไรปรีบได้กับอะไรว่าด้วยความบริสุทธิ์แห่งวาจาความบริสุทธิ์แห่งวาจาเป็นอย่างไรคือพิกูจนในธรรมวินัยนี้ละการกล่าวเท็จเว้นขาจากการกล่าวเท็จได้แล้วคือเป็นคนพู้จริงตั้งมั่นในความสัตย์มีถ้อยคํามั่นคงเชื่อถือได้ไม่กล่าวคําหลอกลวงชาวโลก ละวาจาสอดเสียดเว้นขาจากวาจาส่อเสียดได้แล้วฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทําลายคนหมู่นีน้ฟังจากข้างโน้นแล้วไม่ไปบอกข้างนี้เพื่อทําลายคนหมู่โน้นเป็นผู้สมันคนที่แตกแยกกันหรือส่งเสริมคนที่มีประโยชน์ร่วมกันมีความสามัคคีเป็นที่ชื่นชมยินดีในความสามัคคีรื่นเริงในความสามัคคี เป็นผู้กล่าววาจา่อให้เกิดความสามัคคีและวาจาหยาบเว้นขาจากวาจาหยาบได้แล้ววาจาใดไร้โทษสบายหูน่ารักจับใจแบบชาวเมืองคนส่วนใหญ่ชอบใจพอใจก็กล่าววาจาเช่นนั้นและการพูดเพ้อเจอ้อเว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อได้แล้วพูดถูกเวลาพูดจริงพูดอิงอัดพูดอิงธรรมพูดอิงวินัย กล่าววาจาเป็นหลักฐานมีที่อ้างอิงมีต้นมีปลายประกอบด้วยประโยชน์ตามการอันสมควรประกอบด้วยวจีสุจริตสกล่าววาจาปราศจากโทษสี่สถานเป็นผู้งดแล้วงดเว้นแล้วเว้นขาดแล้วออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วกับเดรัจฉานคถาส2สองประการมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่ เธอย่อมกล่าวคถาวัตถุสิบประการคือหนึ่งอภิชฌกถาถ้อยคําที่ชักนําให้มีความปราถนาน้อยสองสันตุติคาถาถ้อยคําที่ชักนําให้มีความสันโดษ 3. ามปวิเวกคาถาถ้อยคําที่ชักนําให้มีความส ง, งดกายใจ 4. อาสังสาคคาถาถ้อยคําที่ชักนําให้ไม่ครุกคลีด้วยหมูห้ 5. วิริยารมพักถาถ้อยคำที่ชักนำให้มุ่งมั่นทำความเพียรหศีลกถาถ้อยคำที่ชักนำให้ตั้งอยู่ในศีลเจสมาธิกาถ้อยคำที่ชักนำให้ทำจิตมั่นแปปัญญากาถ้อยคำที่ชักนำให้เกิดปัญญาเกวิมุตติกาถ้อยคำที่ชักนำให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์สิ วิมุติญาณทัศนกรทาถ้อยคำที่ชักนำให้สนใจและเข้าใจเรื่องความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ย่อมกล่าวสติปัฏฐานกรทาสัมปัปธานกรทาอิทธิบาทกฐาอินทริยากทาพลกรทาโพชงฆกรทามรกคกรทาผลลกรานิพพานกรทา ภิกษุเป็นผู้สำรวมระวังระมัดระวังคุ้มครองปกปักรักษาสังวรด้วยวาจานี้ชื่อว่าความบริสุทธิ์แห่งวาจาภิกษุพึงเป็นผู้ประกอบด้วยความบริสุทธิ์แห่งวาจาเช่นนี้รวมความว่าพึงมีแนวทางแห่งถ้อยคำอย่างไรคำว่าพึงมีโครจรในาศาสนานี้อย่างไรอธิบายว่าพระเทระถามถึงโครจรว่า พิสุพึงประกอบด้วยโคจรชเช่นไรคือตั้งไว้อย่างไรมีประการอย่างไรเปรียบได้กับอะไรโคจรก็มีอโคจรก็มีว่าด้วยอโคจรและโคจรอโคจรเป็นอย่างไรเพือพิสุบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้เป็นผู้มีหญิงแพร่เสียเป็นโคจรมีหญิงไม้เป็นโคจรมีสาวเธอเป็นโคจร มีบรัน덧เป็นโครจรมีภิกษุณีเป็นโครจรหรือมีร้านจุราเป็นโครจรเป็นผู้อยู่คลุกคลีกับพระราชามหาอมากของพระราชาเดรถีสาวกเดียรถีด้วยการคลุกคลีกับพระหาที่ไม่สมควรหรือเศษคบเข้าไปนั่งใกล้ตระูลที่ไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่เป็นดุดบ่อน้ํามักด่าและบริภาดปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ ปราถนาแต่สิ่งที่ไม่เตื้อกูลปราถนาแต่สิ่งที่ไม่ผาสุขไม่ปราถนาความหลุดพ้นจากโยะคะแก่พวกพิกสุภิกษสุณีอุบาสกและอุบาสิกาเช่นนั้นนี้เรียกว่าอโคโจรอีกนายหนึ่งพิกสุเข้าสู่ละแวก บ, บ้านเดินไปตามถนนไม่สำรวมเดินมองช้างมองมา้ามองรถมองพลเดินเท้ามองสตรีมองบุรุษ มองเด็กชายมองเด็กหญิงมองร้านตลาดมองหน้ามุกเรือนมองข้างบนมองข้างล่างมองทิศน้อยทิศใหญ่แม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าอโคโจรอีกนายหนึ่งภิกษุเห็นรูปทางตาแล้วรวบถือแยกถือย่อมไม่ปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินรีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศสธรรมคืออภิชาและโทมนัะครอบงาได้ ไม่รักษามนณีสีไม่ถึงความสำรวมในมนณีสีแม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าอโคจรอีกนายหนึ่งภิกษุเป็นผู้ขนขวายดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลธรรมเห็นปานนี้อยู่เหมือนสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกบริโภคอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขนขวายดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลเห็นปานนี้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 การแข่งชนแกะการแข่งชนไก่การแข่งชนนกกระทาการรำกระบีกระบองการชกมวยมวยปล้ำการตรวจพลสวนสนามการจัดกระบวนทัพแม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าอโคโจรแม้ตามมาคุณห้าก็ชื่อว่าอโคโจรสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธออย่าเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโครจรพิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโครจรมานก็จกได้ช่องจกได้อารมณ์พิกษุทั้งหลายแดนอื่นที่เป็นอโครจรของภิกษุเป็นอย่างไรคือกามคุณห้ากามคุณห้าอะไรบ้างคือหนึ่งรูปที่รู้ได้ทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รัก ชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดสองเสียงที่รู้ได้ทางหูสกลิ่นที่รู้ได้ทางจมูกสรสที่รู้ได้ทางลิ้นห้าโพธภะ ท, ที่รู้ได้ทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำนัดภิกษุทั้งหลายนี้ตถาคตเรียกว่า แดนอื่นอันเป็นอโคจรของภิกษุแม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าอโคจรโคจรเป็นอย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้ไม่เป็นผู้มีหญิงแพร่สยาเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีหญิงไม้เป็นโคจรไม่เป็นผู้มีสาวเทือเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีบัณดะเป็นโคจรไม่เป็นผู้มีนางภิษุณีเป็นโคจร ไม่เป็นผู้มีร้านจราเป็นโครจรไม่อยู่คลุกคลีกับพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดร์ธีสาวกเดรธีเลือกการคลุกคลีกับพระฤหัสที่ไม่สมควรหรือเสพคบข้าไป น, นั่งใกล้ตระกูลที่มีศรัทธาเลื่อมใสเป็นดุดบ่อน้ํารุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวะกบปูนไปด้วยกลิ่นของโรยสีปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ ปรารถนาแต่สิ่งที่เกลื่อกูลปรารถนาแต่สิ่งที่ผาสุขปรารถนาแต่ความหลุดพ้นจากโยคะแต่พวกพิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเช่นนั้นแม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าโคจรอีกนายหนึ่งพิกษุเข้าสู่ละแวกบ้านเดินไปตามถนนข้อสมรวมไม่เดินมองช้างมองมา้ามองรถมองพลเดินเท้ามองทิศน้อยทิศใหญ่ แม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าโคจอนอีกในหนึ่งภิกษุเห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือถึงความสำรวมในมนณีสีแม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าโคจอนอีกในหนึ่งภิกษุงดเว้นจากความขนขวายดูการละเล่นหันเป็นข้าศึกแก่ขุสลเห็นปานนี้อยู่เหมือนสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกบริโภคอาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้ว ไม่พากันขวนขวายดูการละเล่นอันเป็นค่าสึกแก่กุศลเห็นปานนี้คือการฟ้อนการขับร้องการประคมดนตรีแม้นี้ก็ตรัสเรียกว่าโคจรแม้สติปทานสี่ก็ชื่อว่าโคจรสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวไปในแดนบิดาของตนอันเป็นโคจเรเถิดภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกเธอเที่ยวไปในแดนบิดาของตนอันเป็นโครจรมันก็จกไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์พิสุทั้งหลายแดนบิดาของตนอันเป็นโครจรเป็นอย่างไรคือสติปฐานสี่สติปฐานสี่คืออะไรบ้างพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายเนี้กายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 แม้นี้พ่อตรัสเรียกว่าโคจรภิกษุพึงเป็นผู้ประกอบด้วยโคจรเช่นนี้รวมความว่าพึงมีโคจรในศาสนานี้อย่างไรว่าด้วยศีลและวัดคําว่าพึงมีศีลและวัดอย่างไรอธิบายว่าพระสารีบุตรเทระถามถึงความบริสุทธิ์แห่งศีลและวัดว่าภิกษุพึงประกอบด้วยศีลและวัดเช่นไร เคยตั้งไว้อย่างไรมีประการอย่างไรเปรียบเทียบได้กับอะไรความบริสุทธิ์แห่งศีลและวัดเป็นอย่างไรเป็นศีลและวัดก็มีเป็นวัดแต่ไม่ใช่ศีลก็มีเป็นศีลและวัดเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในพระปฏิโมกข์สมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อย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 คือทุตดงแปดข้อได้แก่ 1. อารันยิกังคธทุดง 2. ปินทปาติกังคธาทุดง 3. ปังสกูลิกังคธาทุดง 4. เตจิวริกังคธาทุดง 5. สปะทานาจาริกังคธาทุดง 6. ครุ ป, ปัจ ช, ชาพัตติกังคธาทุดง 7. เนสัชิกังคธาทุดง 8. ยถาสันติคังคธาทุดง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 ถ้าไม่บรรลุผลนั้นแล้วก็จกไม่หยุดความเพียรแม้การสมาทานความเพียรอย่างนี้เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลภิกษุพระคองจิตมุ่ง ม, มั่นว่าเมื่อเรายังถอนลูกสอนคือตัณหาขึ้นไม่ได้เราจะไม่กินไม่ดื่มไม่ออกไปจากวิหารทั้งจะไม่เองกายนอนการสมาทานความเพียรอย่างนี้เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลภิกษุประคงจิตมุ่งมั่นว่า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 แม้การสมาทางความเพียรอย่างนี้เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลพิสุประกองจิตมุ่งมั่นว่าเราจักนำมานำมาด้วยดีบรร ล, ลุสัมผัสทําให้แจ้งซึ่งอริยธรรมเช้าวันนี้เองแม้การสมาทางความเพียรอย่างนี้เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลพิสุประกองจิตมุ่งมั่นว่าเราจักนำมานำมาด้วยดีบรร ล, ลุสัมผัส ทำให้แจ้งซึ่งอริยธรรมในที่อย่างนี้เย็นนี้ก่อนพัดหลังพัดปฐมยามมาชิมยามปัจฉิมยามข้างแรมข้างขึ้นฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนปฐ ม, มวัยมชิ ม, มวัยปัจฉิ ม, มวัยแม้การสมาทานความเพียรอย่างนี้เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีล น, นี้ชื่อว่าความบริสุทธิ์แห่งศีลและวัดภิกษุ พึงเป็นผู้ประกอบด้วยความบริสุทธิ์แห่งศีลและวัดเช่นนี้รวมความว่าพึงมีศีลและวัดอย่างไรว่าด้วยการอบรมตนคําว่าอบรมตนอยู่ในคําว่าภิกษุอบรมตนอยู่อธิบายว่าภิกษุปรารกความเพียรมีเรี่ยวแรงมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งฉันทะไม่ทอดทิ้งทุระในคุณสมธรรมทั้งหลาย อีกในหนึ่งภิกษุส่งตนไปคือส่งตนไปในประโยชน์ตนในยายะในลักษณะในเหตุในฐานะและอัานะคือส่งตนไปว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาส่งตนไปว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเพราะอาวิชชาดับ สังขารจึงดับเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับส่งตนไปว่า น, นี้ทุกขนี้ทุกนิโรธาคาไมนีปฏิปทาเหล่านี้อาจ ว, วะนี้อาจวะนิโรธคาไมนีปฏิปทาส่งตนไปว่าเหล่านี้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งเหล่านี้ธรรมที่ควรทําให้แจ้งส่งตนไปสู่เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษ และการสลัดออกแห่งผัสชาย า, าตนะหกปุปทานขันห้าส่งตนไปสู่เหตุเกิดเหตุดับคุณโทษและการสลัดออกแห่งมหาภูตูรูปสี่ส่งตนไปว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดารวมความว่าอบรมตนอยู่คําว่าภิกษุได้แก่ภิกษุ ผู้เป็นกลายาณปุตชนหรือภิกษุผู้เป็นพระเสคะรวมความว่าภิกษุอบรมตนอยู่ด้วยเหตุนั้นพระสารีบุตรเทระจึงกล่าวว่าภิกษุอบรมตนอยู่พึงมีแนวทางแห่งถ้อยคําอย่างไรพึงมีโคจรในาศาสนานี้อย่างไรพึงมีศีลและวัดอย่างไร พระสารีบุตรเถระทูลถามว่าภิกษุนั้นพึงสมาทานสิกขาอะไรจึงมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นมีปัญญารักษาตนมีสติกําจัดมลทินของตนได้เหมือนช่างทองกําจัดมลทินทองฉะนั้นว่าด้วยการสมาทานศิกขาสามคำว่าภิกษุนั้นพึงสมาทานสิกขาอะไร อธิบายว่าภิกษุนั้นถือเอาสมาทานคือยึดถือรับเอาถือยึดมั่นถือมั่นสิกขาอะไรรวมความว่าพิกษุนั้นพึงสมาทานสิกขาอะไรคําว่ามีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นในคําว่าจึงมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นมีปัญญารักษาตนมีสติได้แก่มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียว มีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีใจไม่ซัดสายสมัฏะสมาธินีสมาธิภละสัมมาสมาธิคำว่ามีปัญญารักษาตนได้แก่มีปัญญารักษาตนเพื่อเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสคำว่ามีสติอธิบายว่า มีสติด้วยเหตสีอย่างคือหนึ่ง <Jub> ช <ilee> ื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณากายในกายสองชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาเวทนาในเวทนาทั้งหลายสชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาจิตในจิต 4. ชื่อว่ามีสติเมื่อเจริญสติปัฏฐานพิจารณาธรรมในธรรมทั้งหลาย ภิกษุนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติรวมความว่ามีสติพระสาริบุทเถระทูลถามถึงอธิศีลศึกขาว่าภิกษุนั้นพึงสมาทานศึกษาอะไรทูลถามถึงอธิจิตตศึกขาว่ามีสมาธิเป็นธรรมเอกผุขึ้นทูลถามถึงอธิปัญญาศึกขาว่ามีปัญญารักษาตน ทูลถามถึงความบริสุทธิ์แห่งสติว่าผู้มีสติรวมความว่าภิกษุนั้นพึงสมาทานสิกขาอะไรจึงมีสมาธิเป็นธรรมเอกพุทขึ้นมีปัญญารักษาตนมีสติว่าด้วยการกำจัดมนฑินคำว่ากำจัดมนทินของตนได้เหมือนช่งทองกำจัดมนฑินทองฉะนั้นอธิบายว่า คนทำทองตรัดเรียกว่าช่างทองทองคาตรัดเรียกว่าทองช่างทองย่อมเป่าไล่กําจัดมนทินทองทั้งหยาบปานกลางและละเอียดชั้นใดพิษุย่อมเป่าไล่กําจัดและบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งจีเลททั้งหยาบปานกลางและละเอียดชั้นนั้นเหมือนกันอีกายนหนึ่ง พิสุย่อมเป่าไล่กำจัดและบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งมนทินเคราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิกิเลต ท, ทุจริตซึ่งทำให้เป็นคนตาบอดทำให้ไม่มีจักษุทำให้ไม่มียานอันดักปัญญาเป็นไปในฝักฝายแห่งความลำบากไม่เป็นไปเพื่อนิพาน อีกนายหนึ่งพิสษุย่อมเป่าไล่กำจัดและบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งมิชฌาทิฏฐิด้วยสัมมาทิฏฐิย่อมเป่าไล่กำจัดและบรรเทาทาให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งมิชฌาสังกัปปะด้วยสัมมาสังกัปปะมิชฌาวาจาด้วยสัมมาวาจามิชฌากัมมันตะด้วยสัมมากัมมันตะ มิจฉาอาชีวะด้วยสัมมาอาชีวะมิจฉาวายามะด้วยสัมมาวายามะมิจฉาสติด้วยสัมมาสติมิจฉาสมาธิด้วยสัมมาสมาธิมิจฉายานด้วยสัมมาญาณย่อมเป่าไล่กำจัดละบันเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งมิจฉาวิมตุตติด้วยสัมมาวิมตุตติอีกในหนึ่ง พิสุย่อมเป่าไล่กำจัดและบันเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งกิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทางความกรวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุศลาภิสังขารทุกประเภทด้วยอาริยมรรคในองค์8ปดรวมความว่ากําจัดมนฑินของตนได้เหมือนช่างทองกําจัดมนฑินทองฉะนั้น ด้วยเหตุนั้นพระสารีบุตรเถระจึงทูลถามว่าพิสษุนั้นพึงจะมาทานสิกขาอะไรจึงมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นมีปัญญารักษาตนมีสติกำจัดมนทินของตนได้เหมือนช่างทองกำจัดมนทินทองฉะนั้น198พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตร เราจักบอกความผาสุกและทรรมอันสมควร น, นั้นของผู้เบือ่อนายใช้สอยที่นั่งที่นอนอันสงัดผู้ปรารถนาสัมโพธิญาณแก่เธอตามที่รู้คําว่าของผู้เบือ่อนายในคําว่าความผาสุก ข, ของผู้เบือ่อนายอธิบายว่าผู้เบือ่อนายคืออึดอัดระอาด้วยชาติชราพยาธิมรณะโศกปริเทว ะ, ะทุกขะ โทมนัตปุปาญาตด้วยความทุกข์เพราะทิฏวิบัติรวมความว่าของผู้เบื่อหน่ายคำว่าความผาสุกอธิบายว่าเราจะบอกความผาสุกคือความอยู่ผาสุกความอยู่ผาสุกเป็นอย่างไรคือการปฏิบัติชอบการปฏิบัติเหมาะสมการปฏิบัติที่ไม่เป็นฆาสึกการปฏิบัติไม่คลาดเคลื่อนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ การปฏิบัติธรรมถูกต้องตามหลักธรรมการรักษาศีลให้บริบูรณ์ความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจและความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารความเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเตือนอยู่เสมอสติสัมปชัญญะสติปทาน 4, สี่สมมติปทานสี่อิทิบาส 4, อินสีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ด อริยมรรคมีองค์แปดนิพพานและปฏิปทาเครื่องดําเนินไปสู่นิพพานนี้ชื่อว่าความอยู่ผาสุกรวมความว่าความผาสุ ข, ของผู้เบื่อหน่ายอธิบายคําว่าพักวาคําคว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเป็นคําที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระเทะนั้นโดยชื่อคาว่าพระผู้มีพระภาค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 ประสีนสมาบัติสิอาณาปานาสติสมาธิอสุภะสมาบัติจึงชื่อว่าพระผู้มีประภาคอีกในหนึ่งพระผู้มีประภาคทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งสติประธานสี่จำ ม, มะประธานสี่อธิบาทสี่อินรีห้าพละห้าโพชงเจ็ดอริมักมีองค์แปดจึงชื่อว่าพระผู้มีประภาคอีกในหนึ่ง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 คำว่าใช้สอยที่นั่งที่นอนอันสงัดอธิบายว่าที่สำหรับนั่งตราดเรียกว่าที่นั่งได้แก่เตียงอ่างเบาเสือ่อแผ่นนังเครื่องปูล่าทำด้วยหญ้าเครื่องปูล่าทำด้วยใบไม้เครื่องปูล่าทำด้วยฟางเสนาสะนะตราดเรียกว่าที่นอนได้แก่วิหารเรือนหลังคาด้านเดียวปราสาทเรือนโลน ท่าที่นอนและที่นั่งนั้นสงัดคือว่างเงียบจากการได้เห็นรูปไม่เป็นที่สบายจากการได้ยินเสียงไม่เป็นที่สบายสงัดคือว่างเงียบจากกามคุณห้าไม่เป็นที่สบายผู้ใช้สอยคือเศษเป็นนิดส่องเศษเศษเฉพาะที่นอนที่นั่งนั้นรวมความว่าใช้สอยที่นั่งที่นอนอันสงัด คำว่าทรรมอันสมควรผู้ปรารถนาสัมโพธิญาณอธิบายว่ายาใ น, นมรรคทั้งสี่ตรสเรียกว่าสัมโพธิญาณคือปัญญาปัญญนสีปัญญาภะธรรมะวิเชษสัมโพชงปัญญาเครื่องพิจารณาปัญญาเครื่องเห็นแจ้งสัมมาทิฏฐิผู้ปรารถนาจะรู้ปรารถนาจะรู้ตามปรารถนาจะรู้เฉพาะปรารถนาจะรู้พร้อม ปรารถนาจะบรรลุปรารถนาจะสัมผัสปรารถนาจะทำให้แจ้งสัมโพธิญาณ น, นั้นรวมความว่าผู้ปรารถนาสัมโพธิญาณคำว่าทาอันสมควรอธิบายว่าทาอันสมควรแก่โพธิญาณเป็นอย่างไรพือการปฏิบัติชอบการปฏิบัติเหมาะสมการปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกการปฏิบัติไม่คลาดเคลื่อนการปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ การปฏิบัตธิธรรมถูกต้องตามหลักธรรมการรักษาศีลให้บริบูรณ์ความเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ทั้งหกความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารความเป็นผู้มีความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่เสมอสติสัมปชัญญะเหล่านี้ตรัสเรียกว่าธรรมอันสมควรแก่โพธิญาณอีกในหนึ่งวิปัจนาในส่วนเบื้องต้นแห่งมรรคทั้งสี่เหล่านี้ตรัสเรียกว่า ทำอันสมควรแก่โพธิญาณรวมความว่าทำอันสมควรผู้ปรารถนาสัมโพธิญาณคําว่านั้นในคําว่าเราจะบอกนั้นแก่เธอตามที่รู้ได้แก่ทําอันสมควรแก่โพธิญาณคําว่าเราจะบอกได้แก่จากพูดบอกคือกล่าวแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจําแนกทําให้ง่าย ประกาศคำว่าตามที่รู้ได้แก่ตามที่รู้คือตามที่ทราบรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดได้แก่เราจะบอกทำที่รู้ด้วยตนเองทำที่ประจักษ์แก่ตนเองมิใช่โดยอาการเชื่อผู้อื่นว่าทำนี้เป็นดังนี้ทำนี้เป็นดังนี้มิใช่โดยการเล่าลือมิใช่โดยการถือเสิบเสิบกันมา มิใช่โดยการอ้างตำรามิใช่โดยตักกะมิใช่โดยการอนุมานมิใช่โดยการคิดตรองตามแนวเหตุผลมิใช่เพราะเข้ากันได้กับทฤษฎีที่พินิษไว้แล้วจากบอกทำรรที่รู้เฉพาะตนเองทำที่ประจักษ์แก่ตนเองรวมความว่าเราจักบอกนั้นแก่เธอตามที่รู้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า สารีบุตรเราจะ บ, บอกความผาสุขและทาอันสมควร น, นั้นของผู้เบื่อหน่ายใช้สอยที่นั่งที่นอนอันสงัดผู้ปรารถนาสัมโพธิญาณแก่เธอตามที่รู้199 พระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าภิกษุผู้เป็นนักปราดมีสติประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดครอบมีพึงกลัวภัยห้าอย่างคือเหลือบสัตว์ไต่ตอมสัดเลื้อยคลานสัมผัสจากมนุษย์และสัตว์สีท้าว่าด้วยภิกษุผู้เป็นนักปราดคําว่าผู้เป็นนักปราดในคําว่าผู้เป็นนักปราดไม่พึงกลัวภัยห้าอย่างได้แก่ เป็นนักปราศคือเป็นบัณฑิตมีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสเฉวฉลาดไม่พึงกลัวคือไม่พึงหวาดเสียวไม่พึงคลั่นคล้ามไม่พึงเกรงกลัวไม่พึงหวาดกลัวไม่พึงถึงความสดุดุ้งต่อภัยห้าอย่างได้แก่ไม่คลาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนี พึงเป็นผู้ละภัยและความหวาดกลัวได้แล้วหมดความขนพองสอยองกล้าวอยู่รวมความว่าผู้เป็นนักปราศไม่พึงกลัวไภ่ห้าอย่างคําว่าภิกษุในคําว่าภิกษุมีสติประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบได้แก่ภิกษุผู้เป็นกลยาณปุถุชนหรือภิกษุผู้เป็นพระเสกขะคําว่ามีสติได้แก่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 ที่สูนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าผู้มีสติรวมความว่ามีสติคําว่าประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบได้แก่ธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบห้าประการคือหนึ่งธรรมอันเป็นส่วนสุดครอบคือศีลสังวรสองธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคืออินทรียสังวรสามธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือโภชเนมัตตัญยุตา สี่ธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือชาคลิยานุโยคธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือศีลและสังวรเป็นอย่างไรคือพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปฏิโมกสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโพจรเห็นภายในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในเสกขาบททั้งหลายพิจารณาเห็นความเน่าเสียภายในประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบ คือศีลสังวรภายในไม่ทําลายกฎเกณฑ์นี้ชื่อว่าทําอันเป็นส่วนสุดรอบคือศีลสังวรทําอันเป็นส่วนสุดรอบคืออินสียสังวรเป็นอย่างไรคือพิสุในธรรมวิ น, นัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสํารวมจากขุนศีซึ่งเมื่อสํารวมอยู่ด้วยดีแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรม คืออภิชาและโทมนัสครอบงำไม่ได้ย่อมรักษาจากขุน4ีถึงความสำรวมในจากขุน4ีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องผลทพะทางกายรู้ธรรมอารมณ์ทางใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อความสำรวมในมณนีศีซึ่งเมื่อสำรวมอยู่ด้วยดีแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอากุศลธรรม คืออภิชาและโทมนัสครอบงำไม่ได้ย่อมรักษามเนนรีถึงความสำรวมในมเนนรียพิจารณาอาทิตตปริยายเทศนาอยู่ประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคืออินเียสังวรภายในไม่ทำลายเขตแดนนี้ชื่อว่าธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคืออินเียสังวรธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบคือโภชเนมตนัตตัญญาเป็นอย่างไร เพื่อพิสูุในธรรมวิในนี้พิจารณาโดยแยบขายแล้วจึงฉันอาหารมิใช่เพื่อเล่นมิใช่เพื่อโมเมามิใช่เพื่อตกแต่งมิใช่เพื่อประดับแต่ฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่เพื่อให้ร่างกายนี้ดำเนินไปได้เพื่อระ ง, งับความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นด้วยมนาสิการว่าเราจะ บ, บำบัดเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น การดำเนินชีวิตของเราความไม่มีโทษและความอยู่สบายจักมีได้ด้วยวิธีการอย่างนี้พิจารณาอาหารเปรียบกับน้ำมันสำหรับหยอดเพล่าผ้าปิดแผลและเนื้อของบุตรประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบเพื่อโพชเนมัตันยุตาภายในไม่ทำลายเขตแตนนี้ชื่อว่าทมอันเป็นส่วนสุดรอบเพื่อโภชเนมตันยุตา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 มีสติสมำปัญญะกำหนดเวลาเตื่นไว้ในใจตลอดมชิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทำเครื่องกลางกั้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปัดิมยามแห่งราตรีพิจารณาถึงความเป็นอยู่ของผู้มีราตรีเดียวเจริญประพฤติธรรมเป็นส่วนสุดรอดคือชาคริยานุโยคภายในไม่ทำลายเตแดนนชื่อว่า ทำอันเป็นส่วนสุดรอบคือชาคลียานุโยกโรวมความว่าภิกษุมีสติประพฤติทมอันเป็นส่วนสุดรอบคำว่าเหลือบสัตว์ยต่ตอมสัตวเลื้อคลานอธิบายว่ามแมลงตาเหลืองตรัสเรียกว่าเหลือกมแมลงวันทุกชนิดตรัสเรียกว่าสัตว์ยต่ตอมเพราะเหตุไรมแมลงวันทุกชนิดจึงตรัสเรียกว่าสัตว์ต่ตอม มแมลงวันเหล่านั้นบินชรใช้เรื่อยไปเพราะเหตุนั้นมแมลงวันทุกชนิดจึงตราดเรียกว่าสัตว์ไต่ตอมงูตราดเรียกว่าสัตว์เลื้อยคลานรวมความว่าเหลือกสัตว์ไต่ตอมสัตว์เลื้อยคลานคําว่าสัมผัสจากมนุษย์และสัตว์สี่เท้าอธิบายว่าโจรคนที่ก่อกรรมไว้หรือยังไม่ได้ก่อกรรมไว้ตราดเรียกว่า สัมผัสจากมนุษย์ชนเหล่านั้นพึงถามปัญหากับภิกษุบ้างยกเรื่องขึ้นด่าบริภาศแช่งเสียดสีเบียดเบียนรังแฉกดขี่ข่มเหงฆ่าเข็นฆ่าหรือทำการเข็นฆ่าบ้างความเข้าไปเบียดเบียนจากมนุษย์ชนิดใดก็าตามชื่อว่าสัมผัสจากมนุษย์คำว่าสัตว์สีเท้าได้แก่สิงโตเสือโครง่งเสือเหลือง มีเสือดาวสุนัขป่าโคกระเบือช้างสัตว์เหล่านั้นพึงย่ำยีบ้างกัดกินเบียดเบียนรังแกกดขี่ข่มเหงฆ่าเข้าไปฆ่าหรือทำการเข้าไปฆ่าพิสูุบ้างภัยจากสัตว์สีเท้าชนิดใดก็ตามชื่อว่าการเข้าไปฆ่าจากสัตว์สีเท้ารวมความว่าสัมผัสจากมนุษย์และสัตว์สีเท้าด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุผู้เป็นนักปราดมีสติประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบไม่พึงกลัวภัยห้าอย่างคือเหลือบสัตตัยตอมสัตวเลื้อคลานสัมผัสจากมนุษย์และสัตว์สี่เท้าสอง้ 200. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุไม่พึงหวาดกลัวผู้ถือธรรมอื่นแม้เห็นอารมณ์หน้าหวาดเสียวเป็นอันมากของผู้ถือธรรมอื่นเหล่านั้น ว่ไม่พึงหวาดกลัวอันหนึ่งภิกษุผู้มันแสวงหากุศลพึงปราบปรามอันตรายอื่นๆว่าด้วยสหธรรมมิกคำว่าภิกษุไม่พึงหวาดกลัวผู้ถือธรรมอื่นแม้เห็นอารมณ์หน้าหวาดเสียวเป็นอันมากของผู้ถือธรรมอื่นเหล่านั้นอธิบายว่าเว้นเจหะธรรมมิกเจ็ดจำพวกชนเหล่าใดก็ตามที่ไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรมพระสงฆ์ตรัสเรียกว่าผู้ถือธรรมอื่นชนเหล่านั้นพึงถามปัญหากับภิกษุบ้างพึงยกเรื่องขึ้นดา่าบริภาสแช่งเสียสีเบียดเบียนรังแกกดขีข่ข่มเหงเขียนฆ่าฆ่าหรือทำการเขียนฆ่าภิกษุได้เห็นหรือได้ยินอารมณ์อันนาวาเสียวเป็นอันมากของชนผู้ถือธรรมอื่นเหล่านั้นแล้ว ไม่พึงหวั่นไหวไม่พึงจันเทาไม่พึงกระจับกระสายไม่พึงหวาดเสียวไม่พึงสะดุ้งไม่พึงครั่นคล้ามไม่พึงเกรงกลัวไม่พึงหวากลัวไม่พึงถึงความสะดุ้งได้แก่พึงเป็นผู้ไม่ขลาดไม่หวาดเสียวไม่สะดุ้งไม่หนีพึงเป็นผู้ละภัยและความหวาดกลัวได้แล้วหมดความขนพองสยองกล้าวอยู่รวมความว่า พิษุไม่พึงหวาดกลัวผู้ถือธรรมอื่นแม้เห็นอารมณ์หน้าหวาดเสียวเป็นอันมากของผู้ถือธรรมอื่นเหล่านั้นคำว่าอันหนึ่งพิกษุผู้มันสแสวงหากุศลพึงปราบปรามอันตรายอื่นอื่นอธิบายว่าอันหนึ่งยังมีอันตรายอื่นๆที่พิกษุพึงปราบปรามครอบงำกำจัดขับไล่ย่ำยีอยู่อีกคำว่าอันตรายได้แก่ อันตรายสองอย่างคือหนึ่งอันตรายที่ปรากฏสองอันตรายที่ไม่ปรากฏชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอากุศลธรรมที่อาศัยอยู่ในอัตภาพอย่างนี้บ้างคำว่าภิกษุผู้มันแสวงหากุศลอธิบายว่าภิกษุผู้แสวงหาคือเสาะหาค้นหาการปฏิบัติชอบการปฏิบัติเหมาะสมการปฏิบัติที่ไม่เป็นฆาศึกการปฏิบัติไม่ผิด การปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์อริมักมีองค์แปดนิพานและปฏิปทาเครื่องดำเนินไปสู่นิพานพึงปราบปรามครอบงำกำจัดขับไล่ย่ำยีอันตรายรวมความว่าอันหนึ่งพิสุผู้มันแสวงหากุศลพึงปราบปรามอันตรายอื่นๆด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพิษุไม่พึงหวากลัวผู้ถือธรรมอื่น แม่เห็นอารมณ์อันน่าหวาดเสียวเป็นอันมากของผู้ถือธรรมอื่นเหล่านั้นก็ไม่พึงหวาดกลัวอันหนึ่งภิกษุผู้มันแสวงหากุศลพึงปราบปรามอันตรายอื่นๆสองอหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุถูกผัสสะแห่งความเจ็บป่วยและความหิวกระทบแล้วพึงอดกลั้นความหนาวหรือความร้อน ภิกษุนั้นถูกภัตตาเล่านั้นกระทบแล้วโดยอาการมากอย่างก็ไม่ให้โอกาสพึงทําความเพียรและความบากบันให้มั่นงคงคําว่าภิกษุถูกภัตตาแห่งความเจ็บป่วยและความหิวกระทบแล้วอธิบายว่าภัตตาแห่งโรคตราบเรียกว่าภัตตาแห่งความเจ็บป่วยภิกษุถูกภัตตาแห่งโรคกระทบแล้วคือครอบงำกลุ่มรุมประกอบแล้ว ได้แก่ถูกโรคทางตาโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นโรคทางกายถูกสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานกระทบแล้วคือครอบงำกลุ่มรุมประกอบแล้วความอยากกินตรัสเรียกว่าความหิวภิกษุนั้นเป็นผู้ถูกความหิวกระทบแล้วคือครอบงำกลุ่มรุมประกอบแล้ว รวมความว่าภิกษุถูกผัสจะแห่งความเจ็บป่วยและความหิวกระทบแล้วว่าด้วยความหนาวมีด้วยเหตุสองอย่างคำว่าความหนาวเนืํอคำว่าพึงอดกลั้นความหนาวหรือความร้อนอธิบายว่าความหนาวย่อมมีด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งความหนาวด้วยอำนาจธาตุกำเริบภายในสองความหนาวด้วยอำนาจฤดูภายนอก คำว่าความร้อนอธิบายว่าความร้อนย่อมมีด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งความร้อนด้วยอํานาจธาตุต่ำเริ่บภายในสองความร้อนด้วยอํานาจฤดูภายนอกรวมความว่าความหนาวความร้อนคําว่าพึงอดกลั้นอธิบายว่าภิกษุพึงเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานพึงเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำชั่วร้ายมุ่งร้ายทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตไปได้รวมความว่าพึงอดกลั้นความหนาวหรือความร้อนคำ ว, ว่าภิกษุนั้นถูกผัสสะเหล่านั้นในคำ ว, ว่าภิกษุนั้นถูกผัสสะเหล่านั้นกระทบแล้ว โดยอาการมากอย่างก็ไม่ให้โอกาสอธิบายว่าถูกภัสสะแห่งความเจ็บป่วยความหิวความหนาวและความร้อนกระทบแล้วคือครอบงำกลุ่มรุมประกอบแล้วรวมความว่าภิกษุนั้นถูกภัสสะเหล่านั้นกระทบแล้วคำว่าโดยอาการมากอย่างได้แก่ถูกกระทบแล้วคือครอบงำกลุ่มรุมประกอบแล้ว โดยอเนกประการรวมความว่าภิกษุนั้นถูกภัษะเหล่านั้นกระทบแล้วโดยอาการมากอย่างคำว่าก็ไม่ให้โอกาสได้กแก่ไม่เปิดโอกาสให้วิญญาณที่เกิดพร้อมกับอภิสังขารจึงชื่อว่าไม่ให้โอกาสอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งไม่เปิดโอกาสให้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตจึงชื่อว่าไม่ให้โอกาส อย่างนี้บ้างรวมความว่าภิกษุนั้นถูกภัสสะเหล่านั้นกระทบแล้วโดยอาการมากอย่างก็ไม่ให้โอกาสคําว่าพึงทําความเพียรและความบากบั่นให้มั่นคงอธิบายว่าการปรารบความเพียรการก้าวออกการก้าวไปข้างหน้าการย่างขึ้นไปความพยายามความอุตสาหะความขยันความไม่ถอยกลับความมั่นคง ความทรงไว้ความบากบั่นไม่ย่อหย่อนความไม่ทอดทิ้งฉันทะความไม่ทอดทิ้งธุระความประคองธุระไว้วิริยะวิริณีวิรยิยะภะละสัมมาวายามะตรัสเรียกว่าความเพียรและความบากบั่นคาว่าพึงทำความเพียรและความบากบั่นให้มั่นคงอธิบายว่าพ an ึงทำความเพียรและความบากบั่นให้มั่นคง คพือพึงทำให้หนักแน่นได้แก่พึงเป็นผู้มีการถือปฏิบัติมั่นคงมีการถือปฏิบัติแน่วแน่รวมความว่าพึงทำความเพียรและความบากบั่นให้มั่นคงด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุถูกผัสะแห่งความเจ็บป่วยและความหิวกระทบแล้วพึงอดกลั้นความหนาวหรือความร้อนภิกษุนั้นถูกผัะเหล่านั้นกระทบแล้ว โดยอาการมากอย่างก็ไม่ให้โอกาสพึงทำความเพียรและความบากปั่นให้มั่นคงสองสองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิกษุไม่พึงขโมยไม่พึงพูดเท็จพึงแผ่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งผู้สะดุ้งและผู้มั่นคงเมื่อใดพิกษุรู้แจ้งความขุนมัวแห่งใจเมื่อนั้นเธอพึงบรรเทาเสียด้วยมนุศิศการว่า นี้เป็นฝักฝ่ายแห่งมารผู้มีกรรมดำคําว่าไม่พึงขโมยในคําว่าไม่พึงขโมยไม่พึงพูดเท็จอธิบายว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงเป็นผู้ละอทินนาทานเว้นขาจากอทินนาทานรับเอาแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ดํารงตนอยู่อย่างสะอาดไม่ขโมยโรวมความว่าไม่พึงขโมย คำว่าไม่พึงพูดเท็จอธิบายว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงเป็นผู้ละการกล่าวเท็จเว้นข่าจากการกล่าวเท็จได้แล้วคือเป็นคนพูดจริงตั้งมั่นในความสัตย์ไม่ถ้อยคำมั่นคงเชื่อถือได้ไม่กล่าวคำหลอกลวงชาวโลกรวมความว่าไม่พึงขโมยไม่พึงพูดเท็จว่าด้วยการแผ่เมตตา คำว่าพึงแผ่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งผู้สะดุ้งและผู้มั่นคงอธิบายว่าคำว่าเมตตาได้แก่ความรักกิริยาที่รักภาวะที่รักความเอ็นดูยิริยาที่เอ็นดูภาวะที่เอ็นดูความปรารถนาเพื่อกูลกันความอนุเคราะห์ความไม่พยาบาทความไม่ปองร้ายอุสลมูลคืออโทสะในหมู่สัตว์คำว่าผู้สะดุง้ง อธิบายว่าเราสัตว์จึงละตันหาอันทําให้สะดุ้งไม่ได้ยังละภัยและความหวาด ก, กลัวไม่ได้เพราะเหตุใดสัตว์เหล่านั้นจึงตรัสเรียกว่าผู้สะดุง้งสัตว์เหล่านั้นยังสะดุง้งคือเครั่องครามเกรงกลัวหวาด ก, กลัวถึงความสะดุง้งเพราะเหตุนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงตรัสเรียกว่าผู้สะดุง้งคําว่าผู้มั่นคงอธิบายว่า เราสัตว์ที่ละตันหาอันทําให้สะดุ้งได้แล้วละภัยและความหวาดกลัวได้แล้วเพราะเหตุไรสัตว์เหล่านั้นจึงตรัสเรียกว่าผู้มั่นคงสัตว์เหล่านั้นไม่สะดุง้งเคอไม่ครั่องคร้ามไม่เกรงกลัวไม่หวาดกลัวไม่ถึงความสะดุง้งเพราะเหตุนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงตรัดเรียกว่าผู้มั่นคงคําว่าพึงแผ่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งผู้สะดุ้งและผู้มั่นคง อธิบายว่าพึงแผ่คือขยายเมตตาได้แก่พึงเป็นผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตาอันไพ่บู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปยังสัตว์ทั้งผู้สะดุ้งและผู้มั่นคงอยู่รวมความว่าพึงแผ่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งผู้สะดุ้งและผู้มั่นคงคาว่าเมื่อใดในคาว่า เมื่อใดภิกษุรู้แจ้งความขุนัวแห่งใจได้แก่ในการใดคำว่าแห่งใจอธิบายว่าจิตมโนมานัตหาไทยปันธระมณนะมนายตนะมนินสีวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุอันเกิดจากภัษะเป็นต้นนั้นจิตขุนัวเศร้าหมองยุ่งยากวุ่นวายวันไหว หมุนวนไม่สงบด้วยกายทุจริตจิตคุณมัวเศร้าหมองยุ่งยากวุ่นวายวันไหวหมุนวนไม่สงบด้วยวจีทุจริตมโนทุจริตราคะโทสะโมหะโอทะอุปนาหะมักขะปลาสะอิสามัจฉริยะมายาสาเถยยะถามพะสารัมภะมานะอติมานะ มะทะปะมาทะกิเล ท, ทุกชนิดทุจริตทุกทางความโกลงกลวัยทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุศลาพิสังขารทุกประเภทคำว่าเมื่อใดภิกษุรู้แจ้งความขุนมัวแห่งใจอธิบายว่ารู้คือรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดความที่จิตขุนมัวรวมความว่า เมื่อใดภิกษุรู้แจ้งความขุ่นมัวแห่งใจคำว่าเมื่อนั้นเธอพึงบรรเทาเสียด้วยมนัษยการว่านี้เป็นฝักฝ่ายแห่งมารผู้มีกรรมดำําอธิบายว่าคําว่าผู้มีกรรม ด, ดําได้แก่มารผู้มีกรรมดำําเพื่อผู้ยิ่งใหญ่พาไปสู่ความตายไม่ให้สัตว์หลุดพ้นเป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ประมาทภิกษุพึงละบรรเทา เธอทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกด้วยมนัสการว่านี้เป็นฝักฝ่ายแห่งมารผู้มีกรคมดำเธอเป็นฝักฝ่ายแห่งมารเป็นบวงแห่งมารเป็นเบ็ดแห่งมารเป็นเหยื่อแห่งมารเป็นวิสัยแห่งมารเป็นที่อยู่ของมารเป็นโครจรของมารเป็นเครื่องผูกของมารรวมความว่าเมื่อนั้นเธอพึงบันเทาเสียด้วยมนัสการว่า นี้เป็นฝักไฟแห่งมารผู้มีกํมดำอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งพึงละบันเทาคือทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกด้วยมนัสสการว่านี้เป็นฝักไฟแห่งมารผู้มีกรมดำเป็นฝักไฟแห่งมารเป็นฝักไฟแห่งอกุศลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มีทุกข์เป็นวิบากเป็นเหตุให้เป็นไปในนรกเป็นเหตุให้เป็นไปในกาเนิดเดรัจฉาน เป็นเห็นให้เป็นไปในเปตตวิสัยรวมความว่าเมื่อนั้นเธอพึงบรรเทาเสียด้วยมนัสการว่านี้เป็นฝักฝ่ายแห่งมารผู้มีก ร, รําดําอย่างนี้บ้างด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุไม่พึงขโมยไม่พึงพูดเท็จพึงแผ่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งผู้สะดุ้งและผู้มั่นคงเมื่อใดภิกษุรู้แจ้งความขุนัวแห่งใจเมื่อนั้น เธอพึงบันเทาเสียด้วยมนัสการว่านี้เป็นฝักฝ่ายแห่งมารผู้มีกรรมดำํสองร้อยสามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสุไม่พึงลุ้อำนาจความโกรธและความดูหมิน่น ทั้งพึงขุดรากความโกรธและความดูมิ่นเหล่านั้นดำรงอยู่แต่เมื่อจะกำราบก็พึงครอบงำสัตว์หรือสังขารที่เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักโดยแท้ว่าด้วยความโกรธและความดูหมิน่นคําว่าความโกรธในคําว่าภิกษุไม่พึงรู้อนานาจความโกรธและความดูหมิน่นได้แก่ใจปองร้ายมุ่งร้ายความดุร้ายความเกลียวกราด ความไม่แช่มชื่นแห่งจิตคำว่าความดูมินอธิบายว่าคนบางคนในโลกนี้ดูหมินผู้อื่นเพราะชาติบ้างเพราะโคตรบ้างหรือเพราะเรื่องอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วบ้างคำว่าภิกษุไม่พึงรู้อำนาจความโกรธและความดูหมินอธิบายว่าไม่พึงรู้อำนาจแห่งความโกรธและความดูมินเผือพึงละบรรเทาทาให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความโกรธและความดูหมิ่นรวมความว่าภิกษุไม่พึงรู้อำนาจความโกรธและความดูมิ่นคำว่าทั้งพึงขุดร่าความโกรธและความดูมิ่นเหล่านั้นดำรงอยู่อธิบายว่ารากแห่งความโกรธเป็นอย่างไรคืออวิชาความไม่รู้อโยนิโสมนสิการความไม่ทาไว้ในใจโดยแยบลายอาจจะมิมานะความถือตัว อหิริกะความไม่ละอายอโนตปะความไม่เกรงกลัวอุทัจจะความฟุ้งซ่านแต่ละอย่างล้วนเป็นรากนี้ชื่อว่ารากแห่งความโกรธรากแห่งความดูหมิ่นเป็นอย่างไรคืออวิชาอโยนิโสมนัสการอสมิมานะอหิริกะอโนตปะอุทัจจะแต่ละอย่างล้วนเป็นรากนี้ชื่อว่ารากแห่งความดูหมิน่น คำว่าทั้งพึงขุดรากความโกรธและความดูหมิ่นเหล่านั้นดำรงอยู่อธิบายว่าพึงขุดคือถอนดึงฉุดกระชากละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งรากแห่งความโกรธและความดูหมิ่นดารงอยู่คือดำรงมั่นรวมความว่าทั้งพึงขุดรากความโกรธและความดูหมิ่นเหล่านั้นดำรงอยู่ คำว่าแต่ในคำว่าแต่เมื่อจะกำราบ ก, ก็พึงครอบงาจัดหรือสังขารที่เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักโดยแท้เป็นบทสนทิเป็นคำเชื่อมบทเป็นคำที่ทำบทให้บริบูรณ์เป็นความสัมพันธ์แห่งอักษรเป็นความสละสฉวยแห่งพยัญชนะคำว่าแต่นี้เป็นคำเชื่อมบทหน้ากับบทหลังเข้าด้วยกันคำว่าเป็นที่รัก ได้แก่สิงเป็นที่รักสองจำพวกคือหนึ่งสัตว์สองสังขารสัตว์เล่าไหนเป็นที่รักสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่เตื้อกูลปรารถนาแต่ความผาสุกปรารถนาแต่ความหลุดพ้นจากโยคะคือมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดามิตรอม า, าดญาติ หรือผู้ร่วมสายโลหิตของผู้นั้นสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าสิ่งเป็นที่รักสังขารเหล่าไหนเป็นที่รักรูปเสียงกลิ่นรสโภทพะที่น่าพอใจสังขารเหล่านี้ชื่อว่าสิ่งเป็นที่รักคําว่าไม่เป็นที่รักได้แก่สิ่งไม่เป็นที่รักสองจำพวกคือหนึ่งสัตว์สองสังขารสัตว์เหล่าไหนไม่เป็นที่รัก สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นผู้ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ปรารถนาแต่สิ่งที่ไม่เลื้อกูลปรารถนาแต่ความไม่ผาสุกไม่ปรารถนาความหลุดพ้นจากโยคะปรารถนาจะปรองชีวิตของผู้นั้นสัตว์เหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นที่รักสังขารเหล่านหนไม่เป็นที่รักรูปเสียงกลิ่นรสโพธะะที่ไม่น่าพอใจสังขารเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นที่รัก คำว่าโดยแท้เป็นคำกล่าวโดยในเดียวเป็นคำกล่าวโดยไม่สงสัยเป็นคำกล่าวโดยไม่เคลือบแคลงเป็นคำกล่าวโดยไม่เป็นสองในเป็นคำกล่าวโดยไม่เป็นสองอย่างเป็นคำกล่าวโดยรัดกลุ่มเป็นคำกล่าวโดยไม่ผิดคำว่าโดยแท้นี้เป็นคำกล่าวที่กำหนดไว้แน่แล้วคำว่าแต่เมื่อจะการาบก็พึงครอบงาสัตว์หรือสังขารที่เป็นที่รับ หรือไม่เ huh. ป <Lock roadmap. S 2> uh ็น huh. ท <t> ี่รักโดยแท้อธิบายว่าเมื่อจะครอบงำก็พึงกำหราบหรือเมื่อจะกําราบก็พึงครอบงาสัตว์และสังขารทั้งที่เป็นที่รักและไม่เป็นที่รักทั้งที่เป็นสุขและเป็นทุกข์ทั้งที่น่ายินดีและไม่น่ายินดีทั้งที่เป็นโสมนัสและโทมนัสทั้งที่เป็นอิทธารมและอนิธารมรวมความว่าแต่เมื่อจะกำหราบ ก็พึงครอบงำสัตว์หรือสังขารที่เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักโดยแท้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคึงตรัสว่าภิกษุไม่พึงรู้อำนาจความโกรธและความดูหมินทั้งพึงขุดรากความโกรธและความดูหมินเหล่านั้นดำรงอยู่แต่เมื่อจะกำราบก็พึงครอบงำสัตว์หรือสังขารที่เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักโดยแท้สองสี่ พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุผู้มีปีติในเรื่องดีงามพึงเชื่อชูปัญญาพึงข่มอันตรายเหล่านั้นพึงปราบความไม่ยินดีในที่นอนอันสงัดพึงปราบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความคร่องโคลนสี่ประการว่าด้วยการมีปีติและการเชื่อชูปัญญาคําว่าปัญญาในคําว่าภิกษุผู้มีปีติในเรื่องดีงาม พึงเชื่อชูปัญญาได้แก่ความรู้ทั่วคือกิริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกเฟ้นความไม่หลงงมงายความเลือกเฟ้นธรรมสัมมาทิฏฐิคำว่าพึงเชื่อชูปัญญาอธิบายว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เที่ยวเชื่อชูปัญญามีปัญญาเป็นธงชัยมีปัญญาเป็นยอดธงมีปัญญาเป็นใหญ่มากด้วยการเลือกเฟ้น มากด้วยการตรวจสอบมากด้วยปัญญาเพ่งพินิษมากด้วยปัญญาเพ่งพิจารณาอยู่ด้วยปัญญาแจ่มแจ้งเที่ยวไปด้วยปัญญานั้นมากด้วยปัญญานั้นหนักในปัญญานั้นเอนไปในปัญญานั้นโอนไปในปัญญานั้นโน้มไปในปัญญานั้นน้อมใจเชื่อปัญญานั้นมีปัญญานั้นเป็นใหญ่รวมความว่าพึงเชื่อชูปัญญาอย่างนี้บ้าง อีกนายหนึ่งภิกษุเดินอยู่ก็รู้ว่ากำลังเดินยืนอยู่ก็รู้ว่ากำลังยืนนั่งอยู่ก็รู้ว่ากำลังนั่งนอนอยู่ก็รู้ว่ากำลังนอนหรือเธอดำรงกายไว้ด้วยอิรียบทยอย่างใดอย่างใดก็รู้อิรียบทยอย่างนั้นอย่างนั้นรวมความว่าเพ่งเชิดชูปัญญาอย่างนี้บ้างอีกนายหนึ่งภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไป การถอยกลับในการแลดูการเหลียวดูในการคูเข้าการเหยียดออกในการครองสังขาติบาทและจีวรในการชันการเดิมการเคี้ยวการลิ้มรสการถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งรวมความว่าพึงเชื่อชูปัญญาอย่างนี้บ้าง คำว่าผู้มีปิติในเรื่องดีงามได้แก่ปิติคือปราโมทเกิดด้วยอำนาจพุทธานุสติคำว่าผู้มีปิติในเรื่องดีงามอธิบายว่าปิติคือปราโมทเกิดด้วยอำนาจธรร ม, มานุสติสังคานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอนาปานาสติมรณะสติกายคตาสติ ปุปสมานุสติชื่อว่ามีปีติในเรื่องดีงามรวมความว่าภิกษุผู้มีปีติในเรื่องดีงามพึงเชื่อชูปัญญาคำว่าอันตรายในคำว่าพึงข่มอันตรายเหล่านั้นได้แก่อันตรายสองอย่างคือหนึ่งอันตรายที่ปรากฏ 2. อ, อันตรายที่ไม่ปรากฏเหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ปรากฏ เหล่านี้เรียกว่าอันตรายที่ไม่ปรากฏชื่อว่าอันตรายเพราะเป็นอกุศลธรรมที่อาศัยอยู่ในอัตภาพอย่างนี้บ้างคำว่าพึงข่มอันตรายเหล่านั้นอธิบายว่าพึงข่มคือครอบงำท่วมทับรัดตรึงย่ำยีอันตรายเหล่านั้นให้ได้รวมความว่าพึงข่มอันตรายเหล่านั้นคำว่าความไม่ยินดีในคาว่า พืงปราบความไม่ยินดีในที่นอนอันสงัดได้แก่ความไม่ยินดีคือความไม่ใยดีความไม่ยินดียิ่งความไม่ชอบใจความเบื่อน่ายความระอาคําว่าในที่นอนอันสงัดอธิบายว่าพืงปราเพื่อพืงครอบงาท่วมทับรัดปรึงย่ำยีความไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัด หรือในธรรมอันเป็นกุศลยิ่งอย่างใดอย่างหนึ่งรวมความว่าพึงปราบความไม่ยินดีในที่นอนอันสงดคำว่าทั้งปราบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความคร่ำครวญสี่ประการอธิบายว่าพึงปราบคือขม่มครอบงำท่วมทับรัดเรึงย่ำยีธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความคร่ำครวญสี่ประการรวมความว่า ทั้งปราบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความคร่ำครวญสี่ประการโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุผู้มีปิติในเรื่องดีงามพึงเชื่อชูปัญญาพึงข่มอันตรายเหล่านั้นพึงปราบ ค, ความไม่ยินดีในที่นอนอันสงัดทั้งปราบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความคร่งครวนสี่ประการสอง้อยห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เราจักฉันอะไรเล่าหรือจักฉันที่ไหนคืนนี้เรานอนลำบากแล้วหนอเราจักนอนที่ไหนเล่าภิกษุผู้เป็นเสคขะพึงกำจัดวิตกอันเป็นที่ตั้งแห่งความคล่่าครวญเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไปว่าด้วยความวิตกเป็นเหตุรำพันคาว่าเราจักฉันอะไรเล่าในคาว่าเราจักฉันอะไรเล่า หรือจากฉันที่ไหนอธิบายว่าเราจากฉันอะไรคือข้าวขนมกลุ่มมาสข้าวผงปลาหรือเนื้อรวมความว่าเราจากฉันอะไรเล่าคําว่าหรือจากฉันที่ไหนอธิบายว่าเราจากฉันที่ไหนหรือที่ตระกูลกษัตริย์ตระกูลพราหมณ์ตระกูลแพทย์หรือตระกูลสูตรรวมความว่าเราจากฉันอะไรเล่าหรือจากฉันที่ไหนห คำว่าคืนนี้เรานอนลําบากแล้วหนอเราจะนอนที่ไหนเล่าอธิบายว่าคืนนี้เรานอนลําบากบนแผ่นกระดานเสือ่อแผ่นหนังเครื่องปูล่าทําด้วยหญ้าเครื่องปูล่าทําด้วยใบไม้หรือเครื่องปูล่าทําด้วยฟางคืนต่อมาเราจากนอนให้สบายที่ไหนคือบนเตียงต่างฟูกหมอนในวิหารเรือนหลังคาด้านเดียวปราสาท เรือนลน้นหรือถ้ำรวมความว่าคืนนี้เรานอนลำบากแล้วหนอเราจะนอนที่ไหนเล่าคำว่าวิตกเหล่านี้ในคำว่าวิตกอันเป็นที่ตั้งแห่งความคร่ําครวญเหล่านี้ได้แก่วิตกเกี่ยวกับบินทบาสองอย่างวิตกเกี่ยวกับเสนาชนะสองอย่างคำว่าอันเป็นที่ตั้งแห่งความครั่งครวนได้แก่ เป็นที่ตั้งแห่งการปรับทุกข์เป็นที่ตั้งแห่งความคลั่งครวญรวมความว่าวิตกอันเป็นที่ตั้งแห่งความคลั่งครวญเหล่านี้คำว่าภิกษุผู้เป็นเซขะในคำว่าภิกษุผู้เป็นเสขาพึงกําจัดเป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไปอธิบายว่าเพราะเหตุไรจึงตราดเรียกว่าเซขะเพราะกำลังศึกษาจึงชื่อว่าเซขะกาลังศึกษาอะไร กำลังศึกษาอธิศีลและเสดขาบ้างอธิจิตเสดขาบ้างอธิปัญญาเสดขาบ้างอธิศีลและเสดขาเป็นอย่างไรนี้ชื่อว่าอธิปัญญาเสกขาเสดขาสามเหล่านี้เมื่อพระเสขานึกถึงชื่อว่ากําลังศึกษาเมื่อทราบชื่อว่ากําลังศึกษาเมื่อเห็นชื่อว่ากําลังศึกษาเมื่อพิจารณาชื่อว่ากําลังศึกษา เมื่ออธิษฐานจิตชื่อว่ากำลังศึกษาเมื่อน้อมใจชื่อด้วยศรัทธาชื่อว่ากำลังศึกษาเมื่อประคองความเพียรชื่อว่ากาลังศึกษาเมื่อตั้งสติชื่อว่ากำลังศึกษาเมื่อตั้งใจมั่นชื่อว่ากาลังศึกษาเมื่อรู้ชัดด้วยปัญญาชื่อว่ากำลังศึกษาเมื่อรู้ชัดธรรมที่ควรรู้ชัดชื่อว่ากำลังศึกษา เมื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ชื่อว่ากำลังศึกษาเมื่อละธรรมที่ควรละชื่อว่ากำลังศึกษาเมื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญชื่อว่ากำลังศึกษาเมื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งชื่อว่ากำลังศึกษาคือประพฤติเอื้อเฟื้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบสมาทานศึกษาเพราะเหตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าเสกขะ พระเสขะพึงศึกษาอธิศีลาศึกขาบ้างอธิจิตศิกขาบ้างอธิปัญญาศึกขาบ้างเพื่อกําจัดบันเทาและสงบสลัดทิ้งประงับศิกษาสามเหล่านี้เมื่อพระเสขานึกถึงชื่อว่าพึงศึกษาเมื่อทราบเมื่อทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งชื่อว่าพึงศึกษาเพื่อพึงประพฤติเอื้อเฟือ้อประพฤติเอื้อเฟื้อโดยชอบ สมทานประพฤติรวมความว่าภิกษุผู้เป็นเซขะพึงกําจัดคําว่าเป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไปอธิบายว่าภิกษุเป็นผู้มีความกังวลท่องเที่ยวไปเป็นอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความกังวลเรื่องตระกูลความกังวลเรื่องหมู่คณะความกังวลเรื่องอาวาสความกังวลเรื่องจีวรน ความกังวลเรื่องบินธบาศความกังวลเรื่องเสนาสนะเป็นผู้ประกอบด้วยความกังวลเรื่องคีฬานปัจจัยเพศบริขารภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีความกังวลท่องเที่ยวไปเป็นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไปเป็นอย่างไรพิสุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประกอบด้วยความกังวลเรื่องตระกูลไม่ประกอบด้วยความกังวลเรื่องหมู่คณะ อาวา่าจีวรบินาบาตและคีฬานปัจจัยเพศบริคารภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไปเป็นอย่างนี้สมจริงดังพาสิตว่าเหล่าภิกษุไปแคว้นมคธไปแคว้นโกศนแต่บางพวกเที่ยวไปไม่พร้อมกับหมู่จากแคว้นวัดชีเหมือนเหล่ามรึกเป็นผู้ไม่มีกังวลอยู่ การประพฤติตนเป็นคนมักน้อยเป็นความดีการประพฤติสุจริตเป็นความดีการปฏิบัติเพื่อละกามคุณห้าทุกเมื่อเป็นความดีการถามสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นความดีการปฏิบัติตามโอวาเดรครบเป็นความดีจิตมีการฟังเป็นต้นเป็นเครื่องหมายความเป็นสมณะของผู้หมดความกังวลรวมความว่าภิกษุผู้เป็นเสขะพึงกำจัด เป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเราจากฉันอะไรเล่าหรือจากฉันที่ไหนคืนนี้เรานอนลำบากแล้วหนาเราจากนอนที่ไหนเล่าภิกสุผู้เป็นเสขาพึงกำจัดวิตกอันเป็นที่ตั้งแห่งความครื่องครวญเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไปสองหพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุนั้นในธรรมวินัยนี้ได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มในการแล้วพึงรู้จักประมาณเพื่อสันโดษภิกษุนั้นคุ้มครองในปัจจัยเหล่านั้นเป็นผู้สำรวมเที่ยวไปในหมู่บ้านแม้ถูกด่าก็ไม่พึงกล่าววาจาหยาบว่าด้วยการได้อาหารและเครื่องนุ่งหม่มโดยชอบธรรมคำว่าอาหารในคำว่าได้อาหารและเครื่อง่งห่มในการแล้ว ได้แก่ข้าวสุก ข, ขนมกุ่มมาาข้าวผงปลาเนื้อคำว่าเครื่องนุ่งห่มได้แก่จีวรหกชนิดคือหนึ่งขโมกสองกับปาเิกะสโกศยะสก่กำพลห้าสานะหกพังคะคำว่าได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มในการแล้วอธิบายว่าได้แล้วคือได้รับแล้ว สมหวังแล้วประสบแล้วได้เฉพาะแล้วซึ่งจีวรบิ like. hum, 未未นทบาดมิใช่ด้วยการโกหกมิใช่ด้วยการพูดเลียบเคียงมิใช่ด้วยการทํานิมิตมิใช่ด้วยการกำจัดคุณเขามิใช่ด้วยการต่อลาบด้วยลาบมิใช่ด้วยการให้ไม้มิใช่ด้วยการให้ไม้ไผ่มิใช่ด้วยการให้ใบไม้มิใช่ด้วยการให้ดอกไม้มิใช่ด้วยการให้ผลไม้มิใช่ด้วยการให้น้าอาบ มิใช่ด้วยการให้แป้งจุนมิใช่ด้วยการให้ดินสอพองมิใช่ด้วยการให้ไม้สีฟันมิใช่ด้วยการให้น้ำบ้นปากมิใช่ด้วยคำพูดมู้ให้เขารักตนมิใช่ด้วยคำพูดหลอกแหละเหมือนแกงถั่วมิใช่ด้วยกริยาประจบมิใช่ด้วยการขัดต่างตีสนิทเขามิใช่ด้วยวิชาดูพื้นที่มิใช่ด้วยเดรัจฉานวิชามิใช่ด้วยวิชาทำนายลักษณะอวัยวะ มิใช่ด้วยวิชาดูเริกยามมิใช่ด้วยการเดินทำหน้าที่ทูดมิใช่ด้วยการเดินเป็นคนรับใช้มิใช่ด้วยการเดินสื่อสารมิใช่ด้วยเวชกรรมมิใช่ด้วยนวกรรมมิใช่ด้วยการใช้ก้อนข้าวตอบแทนก้อนข้าวมิใช่ด้วยการให้และการเพิ่มให้แต่ได้แล้วคือได้รับแล้วสมหวังแล้วประสบแล้วได้เฉพาะแล้วโดยชอบรม โดยยุติธรรมรวมความว่าได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มในการแล้วว่าด้วยความรู้จากประมาณสองอย่างคาว่าภิกษุนั้นพึงรู้จากประมาณในคำว่าภิกษุนั้นในธรรมวินัยนี้พึงรู้จากประมาณเพื่อสันโดดอธิบายว่าพึงรู้จักประมาณโดยเหตุสองอย่างคือหนึ่งโดยการรับสองโดยการบริโภค ภิกษุรู้จักประมาณโดยการรับเป็นอย่างไรคือแม้เมื่อทายกถวายน้อยภิกษุข้รับเพื่อความเอนดูตรรกูลเพื่อการรักษาตระกูลเพื่อการอนุเคราะห์ตระกูลแม้เมื่อทายกถวายมากภิกษุก็รับจีวรพอคุ้มครองกายรับบินตบาดพอบริหารท้องภิกษุชื่อว่ารู้จักประมาณโดยการรับเป็นอย่างนี้ภิกษุรู้จักประมาณโดยการบริโภคเป็นอย่างไร เพื่อพิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงใช้สอยจีวอเพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายภิกษุพิจารณาโดยแยกภายแล้วจึงฉันบินธบาสมิใช่เพื่อเล่นมิใช่เพื่อมัวเมามิใช่เพื่อประดับมิใช่เพื่อตกแต่ง แต่ฉันเพียงเพื่อให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่เพื่อร่างกายนี้ดำเนินไปได้เพื่อระ ง, งับความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยมณติการว่าเราจะบำบัดเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นการดำเนินชีวิตของเราความไม่มีโทษและอยู่สบายจากมีได้ด้วยวิธีการอย่างนี้ภิสษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยเสนาสะนะ เพียงเพื่อป้องกันความหนาวป้องกันความร้อนป้องกันสัมผัสแห่งเหลือกยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายจากรดูและความยินดีในการเหล็กเร้นพิกษุพิจารณาโดยแยกคลายแล้วจึงใช้สอยคีฬานปัจจัยเพชัดบริคานเพียงเพื่อบรรเทาเวทนาอันเนื่องมาจากอาพาธที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อความไม่ลาบากเป็นอย่างยิ่งพิกษุชื่อว่า รู้จักประมาณโดยการบริโภคเป็นอย่างนี้คำว่าภิกษุนั้นพึงรู้จักประมาณได้แก่พึงรู้คือรู้ทั่วรู้แจ่มแจ้งรู้เฉพาะแทงตลอดโดยเหตุสองอย่างเหล่านี้รวมความว่าภิกษุนั้นพึงรู้จักประมาณคำว่าในธรรมวิ น, นัยนี้เพื่อสันโดษอธิบายว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ทั้งไม่ประกอบการแสวงหาผิดที่ไม่สมควรเพราะเหตุแห่งจีวรไม่ได้จีวรก็ไม่กลัวนกระวายและได้จีวรแล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่อันหนึ่งเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้น ท่านจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะภิกษุใดขยันไม่เกียจคร้านมีความรู้ตัวมีสติกำกับในความสันโดษด้วยจีวอนนั้นภิกษุนี้ตรัสเรียกว่าดำรงอยู่ในอริยวงที่รู้กันว่าดีเลิศเป็นของเก่าอีกในหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยบินตบาทตามีตามได้และกล่าวสันเสริญความสันโดษด้วยบิณตบาทตามีตามได้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 มีสติกำกับในความสันโดษด้วยบินตบานนั้นภิกษุนี้ตรัสเรียกว่าดำรงอยู่ในอริยวงศ์ที่รู้กันว่าดีเลิศเป็นของเก่าอีกนายหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ทั้งไม่ประกอบการแสวงหาผิดที่ไม่สมควรเพราะเหตุแห่งเสนาสนะ ไม่ได้เสนาสนะก็ไม่กละวนกระวายและได้เสนาสนะแล้วก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่พัวพันมองเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกใช้สอยอันหนึ่งเพราะความสันโดดด้วยเสยนาสนะตามมีตามได้นั้นท่านจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะพิสุใดขยันไม่เกียจคร้านมีความรู้ตัวมีสติกำกับในความสันโดดด้วยเสยนาส น, นั้น ภิกษุนี้ตรัสเรียกว่าดำรงอยู่ในอริยวง์ที่รู้กันว่าดีเลิศเป็นของเก่าอีกนายหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดดด้วยคีฬานปัจจัยเพชะปริขารตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดดด้วยคีฬานปัจจัยเพชะปริขารตามมีตามได้ทั้งไม่ประกอบการสแสวงหาผิดที่ไม่สมควรเพราะเหตุแห่งคีฬานปัจจัยเพชะปรุขาน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 มีสติจำกับในความสันโดษด้วยคีฬานปัจจัยเพศสัตบริขารตามมีตามได้นั้นภิกษุนี้ตรัสเรียกว่าดำรงอยู่ในอริยวง์ที่รู้กันว่าดีเลิศเป็นของเก่ารวมความว่าภิกษุนั้นในธรรมวิ น, นัยนี้พึงรู้จักประมาณเพื่อสันโดษคําว่าภิกษุนั้นคุ้มครองในปัจจัยเหล่านั้นในคําว่า ภิกษุนั้นคุ้มครองในปัจจัยเหล่านั้นเป็นผู้สํารวมเที่ยวไปในหมู่บ้านอธิบายว่าภิกษุนั้นคุ้มครองคือปกปักรักษาสังวรในจีวรบินทบาทเสนาชนะกีฬาปัจจัยเพศสัตบริคารรวมความว่าภิกษุนั้นคุ้มครองในปัจจัยเหล่านั้นอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งภิกษุนั้นคุ้มครองคือปกปัก รักษาสังวรในอายตนะทั้งหลายรวมความว่าพิสูจนั้นคุ้มครองในปัจจัยเหล่านั้นอย่างนี้บ้างคําว่าเป็นผู้สํารวมเที่ยวไปในหมู่บ้านอธิบายว่าเป็นผู้สํารวมคือระวังระมัดระวังคุ้มครองปกปักรักษาสังวรเที่ยวไปในหมู่บ้า น, นรวมความว่าพิสูจนั้นคุ้มครองในปัจจัยเหล่านั้น เป็นผู้สำรวมเที่ยวไปในหมู่บ้านคำว่าแม้ถูกด่าก็ไม่พึงกล่าววาจาหยาบอธิบายว่าถูกประทุษร้ายถูกด่าคือถูกเสียดสีถูกเหยียดหยามถูกติเตียนถูกว่าร้ายก็ไม่พึงว่ากล่าวต่อผู้ที่ว่ากล่าวไม่พึงด่าต่อผู้ที่ด่าไม่พึงโกรธต่อผู้ที่โกรธไม่พึงบาดหมางต่อผู้ที่บาดมมางด้วยถทิร์คำหยาบ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 สลัดออกไม่เกี่ยวข้องหลุดพ้นจากการทะเลาะการบาดหมางการแข่งแย่งการวิวาทการมุ่งร้ายมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าแม้ถูกด่าก็ไม่พึงกล่าววาจาหยาบด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุนั้นในธรรมวินัยนี้ได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มในการแล้วพึงรู้จักประมาณเพื่อสันโดษ